ยามมีทรัพย์นับฆ่ามหาศาลไม่เจือจานคำจุนบุญกุศลเมื่อสิ้นชีพสิ้นกายทำลายชนจะตามตน ไปกับเราก็เปล่านาะขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้คราที่แล้วอาตมาภาพได้นําเสนอธรรมะกับการพัฒนายาวชนสู่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นตอนที่หนึ่ง สำหรับวันนี้ก็จะนําเสนอตอนที่สองต่อจากคราวที่แล้วตึงประเดศประคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีท่านได้บรรยายเผยแผ่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5ออกอากาศให้แก่เยาวชนและท่านผู้สนใจได้ติดตามรับชมรับฟังกันทางรายการของเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการพัฒนาเยา ว, วชนซึ่งเป็ น, นกลไกสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเยา ว, วชนของเราจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นอย่างยิ่งจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังคติธรรมจากทางรายการ เรื่องธรรมะกับการพัฒนาเยา ว, วชนจากประเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณต่อจากคราวที่แล้วโดยพร้อมกันต่อไปว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะหมดทุกโดยสิ้นเชิงจึงจะถึงความสุขที่ถาวรคือมรรคผลนิพพานที่เป็นบรมสุขนี่บัณฑิตสุดยอดบัณฑิตนี้เป็นพระอริยเจ้าคือบุคคลประเสริฐ ที่มีสติสัมปชัญญะครบจนถึงขั้นไม่คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทําผิดนําตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสู่อบายภูมิคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ติรชานเป็นผู้ปิดอบายภูมิขึ้นไปนั้นชื่อว่าพระอริยเจ้านี่กล่าวย่อๆนะสักกล่าวละเอียดแล้วไปไปมากกว่านี้แต่เอาง่า ย, ายๆว่าอย่างนี้น ะ, ะ, ะเข้าใจอย่างนี้คือความหมายของคําว่าบัณฑิตบัณฑิตในทางธรรมเนี่ย เขาเรียกว่าอ า, ารยธรรมวัฒ น, ธร ร, น, ธ, นธรรมนะั่งมสบายวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงข้อปฏิบัติที่ดีงามซึ่งสังคมยอมรับว่าเมื่อใครปฏิบัติตามนี้แล้วจะได้รับผลเป็นความสุขความเจริญนําตนไปสู่ความสุขความเจริญไม่ใช่นาตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนในกรณีที่กล่าวมาซึ่งเป็นปัญหาของเด็กหรือเยาวชนที่ว่านั้น จนมีผลให้เด็กทั้งหลายด้อยคุณภาพ อ, าอย่างที่โยมว่ า, านะเรียนก็เรียนไม่ดีปะเหมาะก็เรียนไม่ได้นะต้องลาออกไปนะแล้วก็กลายเป็นคนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วก็กลายเป็นคนขาดคุณธรรมจะเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไรต้องเรียกว่าอะนายธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่ปรากฏจากความประพฤติปฏิบัติ ที่ล่อแหลมนั้นมีผลต่อไปให้เด็กวัยรุ่นเป็นจํานวนมากนะหรือว่าโตขึ้นมาหน่อยเป็นจํานวนจํานวนมากที่ท้องไม่มีพอ่อหรือไม่กับผู้ชายเป็นเสือผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นเสือผู้ชายด้วย<อ>นะก็มีหรือไม่ก็พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอ่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กหรือผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างแหละสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่มันไม่ดีจะเรียกว่าวัฒนธรรมได้อย่างไร วัฒนธรรมต้องดีสิเมื่อทาไปแล้วนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญจึงเรียกว่าวัฒนธรรมใช่มธรรมะนี่แปลว่าของดีนะข้อปฏิบัติที่ดีเพราะฉะนั้นที่ว่ามานั้นทั้งหมดเรียกว่าอานาเรยธรรมแต่ว่าเนื่องด้วยคนเราไม่รู้บาปุลคุณโทษ ต, ตามที่เป็นจริงก็หลงรับเข้ามาเพราะใจคนมาน้อมเข้าไปสู่ความยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายจน มีปัญหามีความประพฤติล่อแหลมจนกลายเป็นท้องไม่มีพอ่อกลายเป็นคนติดยาเสพติดกลายเป็นอะไรต่ออะไรอย่างว่านั้นมากมายจึงไม่เรียกว่าวัฒนธรรมรแต่เรียกว่าอานา р ยธรมรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่เจริญ ค, คออหลวงพ่อครับแล้วจะมีวิธีแก้ไขปัญหาเยาวชนการพัฒนายาวชนได้อย่างไรครับอ๋อก็บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าเราดูเหตุสิ เหตุมาจากไหนนะฮะเหตุมาจากไหนเราแก้เหตุนั้นได้นะก็ช่วยพัฒนายาวชนได้นะนี่เราก็เดินตามามักคือหมายความว่ า, าทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนายาวชนเนี่ยดูเหตุว่าเหตุไม่ดีมาจากไหนนะเราก็แก้จุดนั้นนะทีนี้เรามาดูย่อๆเหตุไม่ดีเริ่มต้นคือสิ่งแวดลอ้อมใช่ไหม สิ่งแวดล้อมนี่มีอะไรบ้างแรลงอบบยามุกต่างๆเป็นต้นที่มันเกลือไปหมดนี่เพราะฉะนั้นคนแก้คือราชการจะแก้ได้หรือไม่ได้ราชการต้องรับผิดชอบนะเพราะนี่แหลงอใบายามุกทั้งหลายเนี่ยนำเยาวชนแล้วแม้ผู้ใหญ่นั่นแหละไปสู่ความหายนะทุกประเภทเลยนะนี่เป็นอันเข้าใจน ะ, ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งสื่อมวลชน ต้องขออภัยนะอีกทีหนึ่งนะสื่อมวลชนเนี่ยต้องมีสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือพิมพ์บางทีถูกคนท้วงติงมากๆว่าไม่ต้องลงภาพที่ล่อแหลมนะก็กลับไปลงโฆษณายาที่มีภาพล่อแหลมเหมือนกันไปสังเกตดูสิมีนะไปหาดูให้ดีไม่รู้แหละยาทำให้ผิวดีเลยแต่กลายเป็นภาพเปลือยไปดูสิมี ออและไอ้พวกแมกกาซีนทั้งหลายที่มีเรื่องราวที่ล่อแหลมมีภาพที่ล่อแหลมหนักๆเข้าก็มีทั้งการโชว์ชายและการโชว์หญิงใช่ไหมออใช่ไหมเ อ, อเด็กเสียหมดผู้ใหญ่ก็เสียผู้ใหญ่ก็เสียแลว้วเมื่อผู้ใหญ่เสียเด็กไม่เสียได้ไงเพราะฉะนั้นแก้ประการที่สงนี่คือสื่อมวลชนต้องมีสํานึกในหน้าที่รับผิดชอ บ, บ, บไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเราจะขายได้ แต่อย่าลืมนะถ้าเยาวชนมันเสียแล้วเนี่ยทำลายเศรษฐกิจทำลายทรัพยากรมนุษย์ในสังคมในประเทศชาติก็กระเทือนถึงสื่ออยู่ดีมันจะไปไหนสื่อก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพให้มั่นคงก็โดยสุจริตถ้าทุจริตมันก็แย่เพราะฉะนั้นอันนี้ขอเน้นว่าสื่อมวลชนขอให้มีสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกันกับรัฐบาลก็ต้องมีสานึกในหน้าที่รับผิดชอบทาจริงๆในการที่จะกาจัด หรือกำกัดเคยเขาเรียกก็มีอย่างนี้ด้วยนะกำกัดคือลิมิตคือกำหนดให้มันย่อลงย่อลงน <ฮะ S 2> เน๊ะแหล่งเอาไยมุกอย่างนี้ป้องกันให้ดีอย่าให้เด็กเข้าไปมั่วสุมนี่แหละอย่างนี้ก็ป้องกันได้โอ้แน่นอน <ฮะ S 2> ทำได้แต่มันทำไม่ได้อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจนะทำได้แต่มันทำไม่ได้ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นต้องมีความสำนึกในหน้าที่รับผิด ช, ชอบว่าต้องทำให้ได้เ <ฮะ S 2> ข้าใจนะเ <ฮะ S 2> พราะมันกระเทือนกันหมดตัวเองนั่นแหละกระเทือน ได้เงินมาก็ไม่เท่าไรไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมเดือดร้อนกันทั่วทีนี้เมื่ อ, อสื่อมวลชนหรือสิ่งแวดล้อมแหลงอบายมุกบรรเทาลงกลายเป็นดีขึ้นะนะแล้วก็พ่อแม่นั่นเองใช่ไหมพ่อแม่ต้องให้ความใกล้ชิดอบอุ่นกับลูกเออเหมือนหนึ่งว่าต้องทำตนว่าเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเป็นเพื่อนด้วยถึงจะรู้ปัญหาของเด็ก เด็กมีความอะไรอยู่ในใจใช่ไหมมีปัญหาอะไรในใจพ่อแม่ก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาให้แม้กระทั่งเด็กมีความเครียดเครียดเพราะอะไร เ, <อ>เพราะเรียนหนังสือหรือเครียดเพราะเอพูดง่างยง่ายเพราะกามอารมเอาพูดง่ายง่ายพ่อแม่ก็ยังให้ข้อแนะนําที่ดีได้เพราะใกล้คิดกับลูกดีกว่าใครๆทั้งหมดพ่อแม่ต้องช่วยแก้ปัญหาไม่เอไม่ใช่ไปคอยให้แต่คนอื่นเขาแก้ให้ลูกเอตัวเองไม่ได้ทํา อย่างนี้มันไม่ถูกต้องต้นตอมันอยู่ที่ครอบครัวแล้วก็ถัดมาก็เป็นครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็สังคมสิ่งแวดลอ้อมสินี้ถ้าพ่อแม่มีจิตสำนึกอย่างนี้ให้ความใกล้ชิดกับลูกอย่าได้ไปใช้ชีวิตสำลเเละเทเมามากนะักพอสมควรอย่างนี้ลูกก็ได้รับความอบอุ่นได้รับความแนะนำที่ดีแล้วก็แนะนำอย่างไรล่ะนี่แหละก็มาถึงเรื่องตัวเด็กล่ะพ่อแม่ต้องปลูกฝังนะ ฝังสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตอนเองหนึง่งให้รู้จักช่วยตนเองหนึง่งเมื่อกี้พูดมาใช่ไหมเด็กฝรั่งนี่นะเขาช่วยตนเองมาตลอดไอ้เรื่องที่จะมาให้ใครทำให้อะไรอะไรอย่างนี้ไม่มีไอ้เหมือนอย่างที่เรามีข่าวไดไกันเนี่ยนะแล้วแต่เธอมันข่าวนะทิงเช็ดเราไม่รู้นะเราพูดว่าเด็กไทยเนี่ยไปจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยก็มักจะพึ่งแต่คนอื่นให้คนอื่นทาให้ใแต่ว่า ชาวฝรั่งเด็กฝรั่งนี่นะเขาทำเองต้องสำเร็จด้วยมือตอนเองถ้าว่ามีกิจการอะไรเนี่ยเราไปขอเขาช่วยนะบางทีเขาโกรธเอานะถ้านี่สังคมฝรั่งมีมีข้อที่ดีอย่างนี้นะเขาโกรธนะเขาจะถือว่าเขาไม่ได้แสดงความสามารถ เ, ออเพราะฉะนั้นให้เด็กไทยหรือคนไทยมีสำนึกว่าให้รู้จักช่วยตนเองแล้วถึงจะตลอดรอดฝังเป็นคนรวยก็ไม่รู้จักจนเป็นคนจนก็จะรวย ได้ด้วยการรู้จักพึ่งตนเองช่วยตนเองไม่ใช่รอให้ใจคนอื่นช่วยสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ให้คนอื่นช่วยนี่มันเป็นอย่างนี้ตัวเองไม่ทำเองให้ดีต้องอาศัยคนอื่นถ้าใครมีอย่างนี้ก็ไม่จเจอใช่ไมต้องปลูกฝังจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งแล้วปลูกฝังต่อไปว่าเด็กเนี่ยต้องนึกถึงอนาคตเพราะเด็กนี่ไม่นึกถึงอนาคตยังไงก็ช่าง ยังไงยังไงกับพ่อแม่ร้องรับเนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นะมันอยู่เนื่องกันหมดใช่ไหมยังไงยังไงพ่อแม่ร้องรับต่อให้ไปติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ไปประกันตัวออกมานี่มันเป็นอย่างนี้แต่ฝรั่งถ้าว่าผิดจริงๆนะพ่อแม่ไม่เหลียวแลเลยอถ้าผิดโดยสันดานพ่อแม่ไม่เหลียวแลเลยปล่อยเลยไปไหนไม่เอาด้วยเลยนะแล้วถ้าว่าดีจริงพ่อแม่จริงจะช่วยช่วยเพื่อให้เธอตั้งตัวให้ได้ยืนให้ได้ อ, อไม่เหมือนคนไทยคนไทยช่วยตลอดออไปจนถึงมีลูกมีเมียแล้วยังตามไปช่วยอีกเออไปเลี้ยงลูกให้อีกเ อ, อเป็นอย่างนี้มีคนไทยแต่ฝรั่งเขาไม่เจ้าต้องช่วยตัวเองอยากมีครอบครัวต้องช่วยตัวเองหากินเองเ อ, อ, อบางทีคนรวยๆไม่ให้ลูกนะไม่ให้ลูกนะ เ, เขาฝึกลูกให้เข้มแข็งก่อนออแล้วเมื่อลูกแสดงให้เขาเห็นว่ามีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมที่ดีตอนนี้แหละเขาช่วยละ เขาช่วยไปเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อให้พ่อแม่เขาหลดเลื่องภาระของเขาเหลือพอประมาณเขาก็หาความสุขเจพาะเขาแล้วก็ปล่อยให้ลูกเจริญเติบโตไปเขาใช้วิธีนี้นี่มันซึ่งมันแตกต่างกับไทยเราโดยสิ้นเชิงเนี่ยโดยสิ้นเชิงน่าเอามาใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องปลูกฝังเด็กให้นึกถึงอนาคตตนเองทีนี้อนาคตเนี่ยกําลังอยากจะรู้ใช่ไหมว่าอนาคตมันจะดียังไงหมายถึงว่า เด็กาบางทีรู้ครับอนาค ต, าออาค ต, ตรักเหมือนไม่รักหลงไปกับเพื่อนหลงไปกับเพื่อนไม่รักตัวเอง ม, มันยังไงก็ช่างบอกแล้วว่าพ่อแม่รองรับนี่เขาเรียกว่าพ่อแม่สปอยเด็กที่เคยพูดมาแล้วพ่อแม่ทําให้เด็กเสียทำให้เด็กเสียจะตีเด็กก็ไม่กล้าหน่อยนึงจะลงโทษเด็กหน่อยหนึ่งก็ไม่ก ล, าล้าดุเด็กก็ไม่กล้ากลัวเด็กโตมาหน่อยนึงกลัวเด็กแล้วนะกลัวลูกแล้วกลายเป็นลูกบังเกิดกล้าวเคยได้ยินใช่ไหมออาเป็นแบบนี้ ทีนี้เมื่อเราอบรมเด็กให้มีสํานึกนะในสํานึกว่าต้องช่วยตนเองนะเขาเรียกว่า self responsibility มีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ช่วยตนเอง self help นะช่วยตนเองนี่ฝรั่งนะเขาเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อสํานึกรับผิดชอบตัวตัวเองจะต้องช่วยตนเองแล้วทําไงล่ะ จ, จะเจริญได้โดยวิธีไหนนี่แหละอนาคตต้องสอนเด็กให้รู้ทีเดียวพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสอนเด็กว่าเธอ ลองดูตัวอย่างคนที่เขาเจริญเขาทำไงไอ้ที่เขาใหญ่โตไปเนี่ยเขาทำไงใช่ไหมที่เขาใหญ่โตแล้วมันคงนะไม่ใหญ่โตเดี๋ยวเดี๋ยวดับนะใหญ่โตแล้วมันคงไปเรื่อยๆนะเขาทำยังไงเนี่ยเขาประกอบสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบแล้วเจริญเติบโตเราไม่เอาคนที่อาชีพไม่ชอบนะอาชีพชอบคือทำดีเนี่ยนะโดยวิธีไหนมีอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้ความสามารถคุณธรรม ต้องควบคู่กันไปที่นี้ถ้าว่าเจ้าอยากจะได้ความรู้เจ้าต้องเลิกละสิ่งที่เป็นอบายมุกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งหมดอะไรไม่ดีไม่เอาแม้เพื่อนไม่ดีก็ไม่ครบทั้งๆที่อาจจะรักกันส่วนตัวแต่ว่าต้องไม่ครบไม่ครบคือยังไงคือไม่เอาอย่างไม่ครบคือไม่เอาอย่างเห็นการพูดกันได้แต่ไม่เอาอย่างนี่ไม่เอาอย่างนี่คือไม่ครบ เห็นไหมนะไม่ยกย่องคนเลวยกย่องคนดีแล้วก็คบคนดีคือทําอย่างคนดีดนี่เอาตัวอย่างคนดีถ้าเด็กรู้จักแยกตัวจากเพื่อนโดยแยกดีแยกชั่วเป็นนี่ตรงนี้เด็กก็จะค่อยๆ อ, ออกจากเพื่อนไม่ดีแล้วจะหันไปคบกับเด็กดีนี่นี่นี่ น, นี่ไอตัวที่จะนําไปเสียมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้เด็กรู้จักการเรียนอย่างไรจึงจะได้ความรู้ นี่ต้องสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้เอาใจใส่ใช่ไหมให้ขยันทำการบ้านนี่อย่างนี้อย่าไปหลงแม้กระทั่งเรื่องที่ไร้าสาระสมัยหนึ่งอาตมาเนี่ยทำงานคอมพิวเตอร์คิดว่าเกือบจะว่ารุ่นแรกๆนะเขาจะมีไอ้โปรแกรมสำหรับเล่นเป็นเกมต่างๆอาตมาว่าเกมเหล่านี้เนี่ยอาตม า, าบอกได้เลยเป็นโทษแก่เยาวชนไม่ดีไม่ดีจะดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรนอกจาก นั่งอยู่นั่นแหละไม่ได้ประเทิงปัญญาเลยสักอยา่าง oh. แต่ถ้าอยากจะประเทืงปัญญาหัดให้รู้จักคียคือว่าพิมพ์หรือหัดรู้จักใช้ให้ถูกต้องเช่นว่าช่วยงานพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็ถึงจะดี oh. นี่แต่ส่วนมากเด็กไปหลงติดกับไอ้เกมเล่นซึ่งไม่ได้ประเทืองปัญญาอะไรเลยทําให้เด็กหมกมุ่นแล้วถ้าบางคนหมกมุ่นมากๆเข้าก็กลายเป็นว่าแม้แต่จะเข้าสังคมก็ไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไง มัวแต่มาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้และสมองก็เสียด้วยมีอาตมารู้จักคอมพิวเตอร์มาก่อนใค ร, ครไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนใครซะเลยหรอกรุ่นแรกๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้อาตมาจะไม่ให้เด็กของอาตมาที่ขณะอาตมาอยู่เนี่ยเล่นเกมเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห้ามไม่ได้ไม่ว่าเด็กไหนแม้แต่เด็กที่ใกล้คิดแล้วเป็นลูกหลานของตัวเองก็ห้ามไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาไม่ห้ามเขาซื้อมาให้ซะอีกเสร็จสิ่เนี่ยคือรู้เท่าไม่ถึงการ อะไรควรให้เด็กทำอะไรไม่ควรให้เด็กทำต้องรู้พ่อแม่ต้องรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เด็กหันไปเอาใจใส่เรื่องเรียนแล้วก็การกีฬาเนี่ย<อ>การกีฬาหรือชอบดนตรีก็เอาสิเพื่อให้เด็กมีเวลาผ่อนคลายความเครียด น, นะนช่วยไ ด, ยได้เบื้องต้นแล้วก็เรียนหนังสือตั้งใจเรียนเมื่อเด็กเด็กนี่เรียนอย่างนี้นะผลการเรียนนะนี่ถ้าเด็กทำได้ ถ้าเด็กใจจดจ่อนะจดจ่ อ, ต, จอ ต, ตั้งใจฟังอย่างที่หนูตั้งตั้งใจฟังอย่างเนี้ยเข้าใจในบทเรียนแล้วมันจําได้ท่องก็ง่ายถ้าจดจํำนะทีนี้เมื่อท่องได้วิชายากเราก็ทําได้พอสอบได้คะแนนดีเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกนี้จะรักษาความดีอยู่ให้สังเกตนะให้สังเกตคนที่เรียนเก่งๆเนี่ยนะจะรักษาความดีไว้ได้เรื่อยๆจะมีคุณธรรมประกอบกันเข้าไป เพราะถ้าคุณธรรมเขาเสียการเรียนก็จะดรอปตามลง<อ>เมื่อตามลงก็เสียใจ<อ><ะ>เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีคุณธรรมอยู่ในตัวเสร็จด้วย<อ>เข้าไปอย่างนี้นะก็แปลว่าความรู้เขาได้นี่อาตมาง่ายๆเลยนี่ไม่ได้พูดไม่ได้ว่าคุยนะอาตมาเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมนี่ส่วนมากไม่ต่ำกว่าที่เก้านะหนึ่งสองสามอยู่ตรงเนี้ย ลดลงไปกับบางทีก็ทีเก้าอย่างมากนะแต่แล้วก็เมื่อมาจบปริญญาตรีเนี่ยอัตมาเรียนปริญญาตรีพร้อมกันสองอย่างนะจบพร้อมกันรับปริญญาบัตรสองสองใบนะพอถึงปริญญาโทเขามีเกียรติยมอัตมาได้เกียรติยมนะเออเพราะอะไรเพราะความที่รับผิดชอบต่อตนเองพึ่งตนเองแล้วก็ช่วยตนเองจนกระทั่งมันแกร่งเมื่อมันแกร่งก็ทําได้เมื่อเราสอบได้เป็นกําลังใจอยู่เรื่อยใช่ไหมแต่ตรงข้ามคนสอบตก หรือคะแนนไม่ดีไม่เอาใจใส่เช่นคํานวณบ้างหรือภาษาต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษบ้างอย่างนี้เป็นต้นตัวเองเออไม่เอาใจใส่แต่ต้นคะแนนน้อยกําลังใจเสียเกิดความไม่ชอบเมื่อไม่ชอบมันก็ไม่อยากเรียนมันก็เลยตกต่อตกพัวพันไปเรื่อยอดินพ่อหางหมูเพราะฉะนั้นจึงเรียนไม่สําเร็จด้วยดีนี่เนี่ยผลของการเรียนนี่มันอยู่ตรงนี้มันมาจากความไม่ดีของตัวคุณภาพคือคุณธรรมไม่ดีทั้งหมดที่ว่ามานั้น มันมาเป็นผลให้เด็กเรียนไม่ดีเอเด็กเรียนไม่ดีแล้วบางคนก็เอาละบางคนก็อย่างว่าท้องไม่มีพ่อขึ้นมาทําไงไปแล้วไปแล้วไม่เรียนเสียอนาคตเลยแล้วติดยาเสพติดไปไหนเสียอนี่เพราะอย่างนี้ทั้งสิ้นนะแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยคุณภาพข้อที่หนึ่งก็ลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องเสียมสอนใหม่ให้มีคุณธรรมแล้วก็ตั้งใจเรียนให้สําเร็จเมื่อเด็กเรียนมีกําลังใจมีเกรดที่สูงขึ้นใช่ไหม กำลังใจก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้จักพาเด็กไปทำงานบ้างนะฝึกให้ทำงานอะไรที่เธอทำได้เช่นคอมพิวเตอร์เอาให้เธอหัดพิมพ์บ้างอะไรบ้างหรืออะไรเป็นงานให้ช่วยฝึกหาประสบการณ์ก็จะได้ความสามารถรนี่ในบทเรียนที่เรียนมาอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์ชอบอย่างไหนเข่นใครว่าอยากจะชอบเป็นหมอหรือจะชอบเป็นทหารจะชอบเป็นนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ต้องตั้งใจเรียนและต้องชอบในวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฝึกฝนให้เธอเป็นอย่างนี้ฝรั่งก็ทําอย่างนี้<อ>ประธานาธิบดีแต่ละคนละคนนักการเมืองแต่ละคนเ้าเสียมมาตั้งแต่เด็ ก, ดก<อ>พ่อแม่นี่แหละให้เขาเรียกว่าเป็นไกด์คือว่าให้ข้อแนะนําแก่เด็กชื่อว่าเห็นหน่วยการมาเด็กจะไปทางไหนดีเขาส่งเสริมทางนั้นเลย<อ> เ, เขาดูแลใกล้คิดอย่างนั้นไม่เหมือนคนไทยของเราปล่อยปลาละเลยแล้วแต่เด็ก ตามใจลูกยั น, ยนไอ้หน่ยเขาประครบประ ง, งมลูกให้ไปเพราะฉะนั้นเด็กจะมีความรู้เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งไปตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเมื่อเขาเรียนสูงขึ้นไปเขาก็สำเร็จเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันก็หาประสบการณ์เด็กได้ประสบการณ์ก็มีความสามารถใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันต้องให้เด็กได้สัมผัสเข้าใกล้คิดกับคุณธรรมนี่ก็คือว่า พ่อแม่ต้องทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดี่เป็นคนมีศีลมีธรรมก่อนใช่ไหมเป็นคนมีศีลมีธรรมก่อนไม่ใช่สัมเณรเเทเมาไม่ใช่เป็นเสือผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นเสือผู้ชายหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กในหลายๆอย่างติดอบายมุขต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่ต้องทําตัวให้ดีสะก่อนถ้าทําตัวไม่ดีไปสอนลูกไม่ฟังหรอกเพราะว่าพ่อยังทํานี่ลูกจะไปเอาอะไรหรือแม่ยังทำหรือไหมลูกจะไปเอาอะไรใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะสอนลูกตัวเราต้องดีก่อนมีศีลมีธรรมนะแล้วก็พาเด็กไปสัมผัสกับวัดวาอารามที่ดีคือวัดนะ่ะถ้าโดยส่วนรวมเนดีหมดดีทุกวัดดีทุกวัดนะแต่ว่าเราก็เลือกไปว่าวัดไหนที่พอจะให้การอบรมสั่งสอนแก่ลูกเราให้เหมาะสมกับสบภาพปัจจุบันเราก็พาเด็กไปที่นั่นใช่ไหมให้ไปสัมผัสเขียนว่าเขามีการอบรม ธรรมะปฏิบัติสําหรับเยาวชนภาคฤดูร้อนที่ไหนดีๆก็ไปสิใช่ไหมก็ให้ได้ไปศึกษาว่ารักษาศีลทําอย่างนี้ดีอย่างนี้เจริญภาวนาสมาธิดีอย่างนี้แล้วมีคุณธรรมต่างๆเช่นว่าข้อปฏิบัติให้ถึงประโยชน์ปัจจุบันมีอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงประโยชน์ในอนาคตมีอย่างนี้ให้เธอเรียนรู้แล้วหลายๆอย่างให้เธอเรียนรู้รู้จักธรรมะที่ดี แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่เธอเมื่อเธอค่อยๆมีศีลกายวาจาสงบแล้วก็มีสมาธิมีใจสงบลงไปอีกแล้วปัญญามันจะเกิดเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรดีอะไรชั่วนี่ตรงนี้มันจะรู้มาเองแล้วก็รู้จักพระช่วยสั่งสอนนะก็ไปหาพระที่ท่านรู้จักสั่งสอนต้องว่าอย่างนี้นะเออมันก็มีพระเนี่ยนะก็มีหลายๆอย่างนะแต่ว่าดีทางนั้นแหละใช่ไหมแต่ว่า ที่ท่านรู้จักสั่งสอนที่ไหนก็ได้นะเมื่อเด็กได้สัมผัสภูกจริตอัจฉิยะใยเด็กรู้แล้วอะไรดีอะไรชั่วเด็กก็จะแยกดีแยกชั่วแยกขาวแยกดำแล้วก็จะแยกจากเพื่อนเลยนี่เด็กจะเป็นเองพ่อแม่เริ่มแล้วเรามาวัดเนี่มาใหละใช่ใช่เฮ้อยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ใช่แลวโดยจะพ่อผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในสังคมที่มีชื่อ จะมีสักกี่คนที่เข้าหาพระเพื่อต้องการธรรมะจริงๆนี่แหละผู้อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงเห็นได้ว่าชีวิตของคนเนี่ยต้องการจริงๆคือความสันติสุขในใจนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะใดจะมีอำนาจราชศักแค่ไหนมีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ถ้าใจไม่สันติไม่หยุดไม่สงบ ไม่มีทางมีความสุขจริงรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาบาเรอความสุขต่อให้หามาล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนเรารับทานอาหารอย่างดีอย่างเก่งเนอะเอาว่าอย่างอร่อยเนะสี่มื้อก็อิ่มแล้วใช่ไหมที่นอนก็แค่นี้ก็พอแล้วมันก็หลับใช่ไหมเออไออื่นที่มันมีต่อให้มันมีเท่าไหร่มันก็เท่านั้นอะเกินต้องการร่างกายเราต้องการหรือตัวเราได้ต้องการเนี่ยพอประมาณ นะมีขอบเขตพอประมาณไอ้ส่วนเกินนอกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเท่าไรหรอกนิดหน่อยเพียงเส่โด่งดังในสังคมซึ่งก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวตนอะไรของใครหรอกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอัตมาจึงกล่าวมาตรงนี้ว่ารักษาศีลพูดกันแค่สองข้ อ, อนี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่สร้างแห่งความประมาทเท่านี้แหละรัฐบาลไม่ต้องไปเสียเงินงบประมาณมากม า, กายไก่กองเที่ยวรณรงค์ ใช่ไหมแก่อะไรไม่ต่ออะไรซึ่งโดยใช่เหตุที่แท้ทำไมไม่รณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีลของง่ายๆและไม่ต้องเสียเงินมากด้วยเออแล้วผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างผู้ใหญ่ไม่รู้แหละทุกระดับแหละเป็นตัวอย่างเอาตั้งแต่รัฐบาลลงมาเออแล้วก็ลองเลิกละในการออสัมปทานในกาม ชายเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายลองสงบกันตั้งสิรักษาศีลแค่ว่ามีสันโดษในคู่ครองของตนลองดูที่ครอบครัวสบายไหมมันจะอะไรกันหนักหนาอไอ้เรื่องอื่นมันอะไรกันหนักหนาไม่มีอะไรหนักหนาหรอกแต่ว่ามีเครื่องกระตุน้นอารมณ์เนี่ยใจมันไปตามกิเลสเกิดขึ้นตามอารมณ์ที่ปล่อยไปตามอารมณ์เท่านั้นเองที่แท้ไม่ได้มีอะไรหนักหนาหรอกหนูมีแค่นี้เองลองลดงดเว้น หรืออีกในหนึ่งสำรวมในกามสันโดษในคู่ครองของตนครอบครัวสบายสังคมก็สบายนะไอการฆ่ากันข้อเหตุนี้ก็ไม่มี<ะ>ใช่ไหมนี่ก็ฆ่ากันได้น ะ, ะเยอะใช่ไหมภ<ะ>ู้คอตายมากกวมากกว่ามากไม<ะ>่ใช่ไหมล่ะแล้วไม่กบฏโคตรโกงกันดใช่ไหมมันก็สบายแล้ว<ะ>คนเราประกอบสัมมาชีวะไม่กบฏโคตรโกงตั้งแต่น้อยไปถึงไม่กบฏโคตรโกงบ้านโกงเมืองให้เด็กมันเห็นเ<ะ>ข้าใจไหม<ะ>หรือให้เด็กมันรู้ข่าว ใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้เด็กก็อาอย่างเออย่างอองั้นไม่ดีไม่นับถือคนอย่างเงี้ยน ะ, ะแคก็จะได้ต่างหน้าต่างตาทําความดีสร้างตนด้วยความรู้ความสามารถของตนรับผิดชอบต่อตนนี่เพียงศีลข้อเดียวเนี่ยดีแค่นี้มากใช่ไหมนี่ดีต่อสังคมนะแล้วก็ดีต่อมาถึงตัวเองตัวเองไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ทุกมันจะมีไหมไม่มี มันจะเหลือไอ้ทุกข์ซึ่งมันเกิดจากเหตุเก่ากรรมเก่าที่มันมีอไอ้กรรมใหม่เราไม่ทำนี่แหละคือคุณของศีลเป็นคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ให้ลดเวรภัยอันตรายต่างๆของตนให้อยู่ได้โดยสงบสันติสุขศัตรูหมู่ปั จ, จมิตรก็ลดลงด้วยอาการอย่างนี้คือการรักษาศีล ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติที่จบไป น, นั้นก็เป็นธรรมะบรรยายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยะมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดาเนินสะดวกจังหวัดรา ช, ชบุรีธรรมะเรื่องนี้หลวงพ่อท่านได้พูดเกี่ยวกับการพัฒนายา ว, วชนให้เป็นผู้มีศีลมีธรรม และพูดถึงผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในสังคมเพื่อที่เขาจะได้นําเอาไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในการนํารุงตนและธรรมะเรื่องนี้ยังเหลืออีกอยู่นหนึ่งตอนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงเพียงเท่านี้จึงจะได้นําเสนอในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ ก่อนจากกันอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอจงมาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสาธุชนผู้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมจงเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุปะอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร Mm -hmm.